สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ที่ฉันขอนำเสนอคำบรรยายธรรมะแบบสบายๆแต่เปลี่ยนไปด้วยเนื้อหาสาระทางธรรมของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลที่นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่ารุ่งอรุณที่สุขโตซึ่งท่านได้บรรยายไว้ในลักษณะของธรรมะปรับอรุณหลังจากทรวัดเช้า ให้แก่คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณที่มาปฏิบัติธรรมณวัดป่าสุขโตในช่วงเข้าพรรษาปี2545ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงคำว่ารุ่งอรุณพระอาจารย์ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคำนี้มีความหมายงดงามในทางธรรมบ่งบอกถึงสภาวะ หรือปัจใจที่นำไปสู่ความสว่างสวัยทางปัญญาดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโยนิสโสมนานสิการและกาลยานามิตรเป็นบุพนิมิตหรือรุ่งอรุณแห่งวิถีชีวิตที่ดีงามคืออริยมรรคอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำดังนั้นคงจะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการขอทำหน้าที่เป็นกาลยานามิตร นำเนื้อหาสาระทางธรรมจากหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้บังเกิดความสว่างสวยทางปัญญาและเข้าถึงชีวิตที่งดงามต่อไปค่ะขอเชิญติดตามรับฟังกันเลยนะคะ รุ่งอรุณที่สุขโตตอนทุกแท้แก้ที่ใจตอนนี้ฝนกำลังตกรอบศาลาเปียกไปหมดแต่พวกเราซึ่งอยู่ในศาลาไม่เปียกฝนไม่ต้องนี่เพราะมีหลังคาที่มุงไว้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เป็นคาถาในคัมภีร์ธรรมบทว่าเรือนที่มุงไว้ดีแล้วฝนย่อมไม่ร่วรถดฉันใดจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วกิเลสย่อมไม่ครอบงำฉันนั้นเรามาอยู่ในสาราในยามนี้ควรที่จะนึกถึงคาถาธรรมบทข้อนี้ไว้และนึกขอบคุณหลังคาที่ช่วยปกป้องไม่ให้ฝนตกลงมารดเราจนเปียกแฉะ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราควรฝึกฝนจิตใจของเราด้วยเพื่อไม่ให้กิเลสเข้ามารั่วรดทำอันตรายฝนนั้นมันอยู่นอกตัวเราแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหากอาศัยใจ เ, เราเป็นที่เกิดจะบอกว่ากิเลสอยู่ในใจ เ, เราก็พูดไม่ได้ถนัดเช่นเดียวกับที่เราพูดไม่ได้ว่าไฟอยู่ในเนื้อไม้ แม้ว่าไฟจะเกิดเวลาเอาไม้มาสีกันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไฟอยู่ในเนื้อไม้เราพูดได้แต่เพียงว่าไฟอาศัยเนื้อไม้เป็นที่เกิดอันนี้แหละสาคัญเพราะเรามักเข้าใจว่ากิเลสมันติดมากับจิตใจตั้งแต่เกิดหรือเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมชาติที่ติดตัวเรามาพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดถ้าต้องการพูดตามภาษาชาวบ้าน แต่ถ้าจะพูดอย่างถูกต้องเคร่งครัดพูดอย่างนั้นไม่ได้เราพูดได้เพียงว่ากิเลสอาศัยใจเป็นที่เกิดอันนี้มันต่างจากฝนฝนเกิดนอกตัวแล้วมันมาต้องตัวเราแต่ว่ากิเลสนี่มันเกิดที่ใจเรามันอาศัยใจ เ, เราเป็นที่เกิดฉะนั้นเราจำต้องมีสิ่งคุ้มกันจิตเอาไว้ไม่ให้กิเลสแทรกซึมเข้ามาก่อความเดือดร้อนแก่เราได้ สิ่งที่จะเป็นหลังคาป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามารั่วรดจิตใจได้ก็คือหลังคาที่ชื่อว่าสามเกลอได้แก่สติปัญญาและก็สมาธิเรียก อ, อีกอย่างหนึ่งว่าสามเกลอเพราะชอบอยู่ด้วยกันและเชื่อมโยงกันมากคนเราถ้าไม่มีสติความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำจิตใจได้พอไม่มีสติเมื่อเราลืมตัวความโกรธ ความเกลียดความอยากมันก็เข้ามาครอบงำจิตได้ง่ายที่เขาว่าการจเจริญสติปัฏฐานเป็นหัวใจกรรมฐานหรือภาวนาแบบพุทธก็เพราะว่าพอไม่มีสติแล้วกิเลสทั้งหลายก็เกิดขึ้นได้ง่ายและถอนยากเวลาเราโกรธเราก็จะลืมตัวถ้าลืมตัวมากมากก็ด่าออกไปหรือไม่ก็ลงไม้ลงมือ อาจไม่ลงไม้ลงมือกับคนที่เราเกลียดแต่อาจจะลงไม้ลงมือกับแก้วจานชามหรือต้นกล้วยเตะมันฟาดมันเพื่อระบายความโกรธออกไปนี่เป็นเพราะขาดสติบางคนบอกว่าตอนโกรธผมรู้นะว่าผมโกรธแต่ทำไมถึงไม่หายโกรธจริงอยู่สติทำให้เรารู้ว่าเราโกรธ แต่สติของเรายังไม่มากพอที่จะดึงจิตออกมาจากความโกรธหรือเอาความโกรธออกไปจากจิตใจได้เรารู้แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปหาความโกรธอีกพอมีสติก็รู้ตัวประเดี๋ยวเดียวก็กลับเข้าไปในความโกรธอีกถ้าสติไม่ไวหรือเข้มแข็งพอก็จะเข้าๆออกๆออแบบนี้รวดเร็วมากก็เลยไม่หายโกรธเสียที ต่เมื่อมีสติไวพอถึงจะดึงความโกรธออกมาได้อย่างชงัดในสภาพเช่นนี้บางทีก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยเช่นคนมาเตือนสติแต่บางครั้งคนเราอาจเกิดการฉุกคิดได้อย่างกระทันหันทำให้สติคืนมาอย่างรวดเร็วพอสติกล้าแข็งก็สามารถสลัดความโกรธออกไปได้อย่างคนที่กําลังโกรธหรือเศร้าโศกรุนแรง ถึงขั้นหยิบมีดหยิบปืนมาจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเอง่วงขณะนั้นเองก็นึกถึงลูกขึ้นมาว่าเขาจะอยู่อย่างไรถ้าเราเข้าคุกหรือเราตายจากไปพอนึกแบบนี้ขึ้นมาสติก็พลั้งพลู ก, กลับคืนมารู้ตัวว่ากำลังจะคิดสั้นก็เลิกทันทีวางมีดวางปืน สั่งจากความโกรธหรือความเศร้าโศกทันทีการนึกถึงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของเราในภาวะอารมณ์ที่พลุ่งพล้ารุนแรงทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกจากอารมณ์ได้ทันทีอันนี้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสติสติทำให้เราไม่ลืมตัวเกิดความรู้ตัวทาให้อารมณ์ต่างๆถูกสลัดออกไปแต่คนส่วนใหญ่ในยามปกติ ไม่มีสติมากพอที่จะทําให้อารมณ์รุนแรงนั้นลดระดับลงมาได้แต่ถ้าเราฝึกสติสม่ําเสมอสร้างสติไว้มากพอสติก็จะช่วยเราได้ไม่ว่านิยามขับขันวิกฤตเดือดร้อนหรือนิยามปกติธรรมดาเมื่อมีสติก็จะเกิดสัมปชัญญะตามมาสัมปชัญญะคือความรู้ตัวช่วยให้ทําอะไรได้ไม่ผิดพลาด สามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมสำปัญญากับสตินี้มาด้วยกันพอฉุกคิดขึ้นมาได้ไม่ลืมตัวความรู้ตัวก็เกิดขึ้นทันทีสำปัญญานี่เป็นธรรมายปัญญาแต่ก็คู่เคียงกับสติซึ่งเป็นธรรมายสมาธิเป็นคุณสมบัติของจิตซึ่งสำคัญถ้าเรามีสติมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่า สุขเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจนั่นเองสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยสติจะช่วยให้เราเห็นความจริงข้อนี้แต่ก่อนเราเคยนึกว่าเราจะสุขหรือทุกข์ก็เพราะปัจจัยภายนอกแดดร้อนทาให้เราทุกข์ถ้าอากาศสบายก็ไม่ทุกข์ที่จริงไม่ใช่สุขทุกข์จริงๆอยู่ที่ใจ ถึงแดดจะร้อนแต่ถ้าเราเอาใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นเช่นอยู่บนอัฒจันทร์กลางแดดนั่งดูฟุตบอลโลกถึงแดดจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ทุกเลยเพราะกำลังสนุกอยู่กับการดูฟุตบอลซึ่งเป็นของชอบของโปรดบางคนไปนั่งตักน้ำค้างกลางดึกดูฟุตบอลในจอขนาดยักษ์อย่างในเกาหลีญี่ปุ่นทั้งๆที่อากาศหนาวมาก แต่ผู้คนก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะใจมันไปจดจ่ออยู่กับฟุตบอลใจที่ไปจดจ่ออยู่กับฟุตบอลเรียกว่าสมาธิพอมีสมาธิกับสิ่งอื่นความร้อนความหนาวก็ทำอะไรไม่ได้นี่ก็ทำนองเดียวกับคนที่นั่งหลังกดหลังแข็งเล่นไพ่เล่นกันได้ทั้งคืนไม่เมื่อยเลยเพราะใจไปเพลินกับการเล่นไพ่แต่พอให้มาทาสมาธิ หรือนั่งทำวัดสวดมนต์แค่ครึ่งชั่วโมงก็บ่นว่าปวดโน้นปวดนี่แล้วขยับแข้งขยับขาไม่หยุดแบบนี้จะมาโทษว่าเป็นเพราะนั่งนานก็คงไม่ใช่สาเหตุจริงๆอยู่ที่ใจของเราเองพอใจไม่สู้หรือไปจดจ่ออยู่กับความปวดเมื่อยก็เลยเป็นทุกข์ตรงกันข้ามถ้าใจเรามีสมาธิกับการทำวัดสวดมนต์หรือใจลอยนึกไปถึงแฟน ก็จะไม่รู้สึกปวดเมื่อยพูดอีกอย่างคือความปวดเมื่อยทำอะไรเราไม่ได้ด้วยเหตุนี้ถึงบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะเอาแต่โทษโน้นโทษนี่เช่นโทษยุงยุงมันมากัดเราทาไม่คันนั่งไม่เป็นสุขนี่เป็นเพราะใจเรามันไปยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้ว หรือตั้งจิตเอาไว้แล้วว่ายุงกัดไม่ได้ฉันไม่ชอบนีเ่เรียกว่าใจไม่มีสติก็ได้คือไม่รู้ธานาการของจิต ท, ที่ไม่สู้หรือกลัวตั้งแต่แรกเวลารู้ว่ายุงกัดต้องใช้สติเข้าไปดูเวทนาตอนที่มันกัดปักเข็มลงไปในเนื้อเราแล้วดูดเลือดเรารู้สึกอย่างไรบางทีเนื้อมันเต้นรลิกรลิกเลยนะ อันนี้ก็เป็นอาการของกายแต่ไม่จำเป็นว่าใจจะทุกไปด้วยในขณะนั้นเมื่อเราอาจจะขยับเพราะใยา่จะไปตบยุงตามความเคยชินหรือสัญชาตญาณแต่ถ้าขณะที่กำลังคันหรือเจ็บเล็กๆ เ, เรากำหนดสติตามรู้อาการต่างๆของกายและใจพร้อมกันนั้นก็กำหนดใจไปด้วยเช่นตอนหายใจเข้าก็นึกในใจว่า ทนได้หายใจออกก็นึกในใจว่าสบายมากหายใจเข้าทนได้หายใจออกสบายมากถ้าลองทําอย่างนี้ดูยุงกัดก็ไม่รู้สึกเจ็บจนใหญ่จะตกไม่ทุกบร้อนเท่าไหร่เพราะใจมีสติใจพร้อมจะทนไม่คิดจะบ่นโวยวายแต่ถ้าใจงองแงอ่อนแอเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเลยรู้สึกว่า โอ้ยคันทนไม่ได้แล้วนี่มันอยู่ที่การตั้งจิตตั้งใจด้วยถ้าตั้งจิตเอาไว้ว่าทนได้สบายมากก็จะทนได้จริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ว่ายูงกัดหรือไม่การตั้งจิตแบบนี้ต้องอาศัยสติเข้ามาช่วยเข้ามากำกับนอกจากสติแล้วสมาธิก็ช่วยได้มากถ้าขณะนั่งอยู่ เรามีสมาธิกับอะไรสักอย่างเช่นกำลังอ่านหนังสือคุยกับเพื่อนดูโทรทัศน์จะไม่รู้สึกเจ็บคันเลยทั้งๆที่ยุงหลายตัวกำลังลุมเราอยู่ตรงกันข้ามถ้าไม่มีสมาธิยุงแค่ตัวเดียวก็ทำให้บ่นได้ขอให้พิจารณาดูเถิดว่าสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ปัจจัยภายนอกหรือเพราะว่าใจเรากันแน่ อาจจะดูลิงเป็นอุทาหรณ์สอนใจลิงนี่เกลียดกะปิถ้าเราโยนอาหารที่ทากะปิให้ลิงแล้วมันเผลอจับเข้าลิงจะเกิดอาการอย่างไรมันจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพอรู้ว่ากะปิเปื้อนมือลิงก็จะเอามือถูพื้นหรือถูหินถูถู ถ, ถูอย่างนั้นแหละเพื่อให้กะปิหลุดจากมือถูเสร็จก็เอามือมาดม แต่กลิ่นกะปิก็ยังอยู่ก็เลยถูถู ถ, ถูถูแล้วดมดมแล้วก็ถูอีกมันถูจนกระทั่งหนังถลอกเลือดไหลออกซิบซิบแต่กลิ่นก็ไม่ออกไปไง่ายๆก็เลยต้องถูอีกจนบางทีเลือดเต็มมือน่าสงสารเราลองมาพิจารณาดูว่าที่ลิงมีเลือดไหลเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะกะปิ หรือเพราะความเกลียดกะปีกันแน่กะปีไม่ได้ทำให้ลิงมีแผลไม่ทำให้ลิงเจ็บปวดแต่ความเกลียดกะปีต่างหากที่ทำให้ลิงมีแผลเลือดไหลออกมาความเกลียดกระปีทำให้ลิงเอามือถู ก, กระพินอยู่นั่นแหละกะปีไม่ได้ทำร้ายลิงความเกลียดกะปีต่างหากที่ทำร้ายลิงคนเราก็เหมือนกัน คำด่าของคนอื่นทำร้ายเราไม่ได้หรอกคําด่ามันเป็นแค่ลมปากหรือคลื่นเสียงที่มากระทบกับหูแต่ปฏิกิริยาของเราต่อคําด่าต่างหากที่เป็นปัญหามันน่ากลัวกว่าคาด่าว่าเสียอีกคําด่าทำอะไรเราไม่ได้แต่ความโกรธความเกลียดที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อคําด่าต่างหากที่เผาโดนจิตใจเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เราทุกข์ก็เพราะความโกรธความเกลียดเพราะจิตไปจดจอ่อกับคำด่าเหล่านั้นทั้งหมดนี้ร้อนอยู่ที่ใจเราทั้งสิ้นไม่ใช่คำด่าของเขาเลยที่ทำให้เราทุกข์แต่การติดยึดกับคำด่าของเขาแล้วไปปรุงเป็นความโกรธความเกลียดอันนั้นต่างหากที่ทำให้เราทุกข์อย่างแท้จริงลิงเกลียดกะปิแต่ก็ชอบเอามือมาดมหากริ่นกะปิอยู่นั่นแหละ ทั้งที่ไม่ชอบก็ยังดมอยู่นั่นแหละนี่ก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่ชอบคำดา่าแต่ก็ชอบเอาคำด่านั้นมาคิดคลุ่นอยู่นั่นแหละคิดแล้วคิดเล่าอยู่นั่นแหละไม่ยอมวางเสียทีถ้าเราทำอย่างนี้เราก็มีอาการไม่ต่างจากลิงที่เกลียดกะปิเราต้องไปให้ไกลกว่าลิงที่เกลียดกะปิต้องฉลาดกว่าลิงพวกนั้นต้องรู้ทันว่าตัวการที่สร้างปัญหาให้กับเราจริงๆไม่ใช่คดาด่า แต่คือปฏิกิริยาต่อคำด่าเหล่านั้นได้แก่ความเกลียดความโกรธรวมถึงอุปาทานคือความติดยึดในคำด่าเหล่านั้นจนปล่อยไม่ได้วังไม่ลงซึ่งนำไปสู่การปรุงแต่งเป็นความโกรธเกลียดมากยิ่งขึ้นวิธีที่จะแก้ทุกข์ไม่ใช่ไปคาดหวังให้เขาหยุดด่่ว่าเราหรือไปปิดปากเขาแต่อยู่ที่ว่าเราจะทาใจอย่างไรต่อคดาด่า จะปล่อยวางคำดา่าและจัดการกับความโกรธเกลียดที่มีต่อคำดา่าหรือคนที่มาด่าได้อย่างไรตรงนี้สำคัญกว่าจะรู้วิธีจัดการกับอาการในใจเหล่านี้ได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักสาวหาสาเหตุจนรู้ว่าสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจเราถ้าเราจัดการกับใจของเราได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ แม้อยู่ท่ามกลางนารกเราก็สามารถประคองใจให้เป็นปกติได้เหมือนกันไม่ใช่จะทำไม่ได้มีนักจิตวิทยาชื่อดังคนหนึ่งเขาเคยถูกจับไปอยู่ในค่ายนารกของนาซีที่เป็นตัวการฆ่าชาวยิวไปหกล้านคนค่ายนารกนาซีมีหลายแห่งในยุโรปที่มีชื่อที่สุดในด้านความโหดร้ายทารุณได้แก่เออชวิต คนที่อยู่ในนี้จะถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาตอาหารน้อยอากาศหนาวทารุณจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนที่ล้มตายเพราะขาดอาหารหรือป่วยตายมีเยอะแยะไม่ต้องพูดถึงคนที่ถูกกลมแกส๊สหรือถูกยิงเป้านักจิตวิทยาคนนี้ชื่อวิกเตอร์แฟรงเิลเป็นคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้จากค่ยนรกที่เอาชวิตเขาบอกว่า เวลาเขาอยู่ในค่ายนี้เขาพยายามนึกถึงเรื่องดีๆที่ชุบจิตใจไม่ให้ไปทุกข์กับสภาพอันเลวร้ายในค่ายไม่ให้ไปหมกมุ่นคุ่นคิดว่าจะตายเมื่อไรเขาเป็นคนชอบสอนหนังสือตอนอยู่ในค่ายนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาทำเสมอก็คือนึกจินตนาการว่าได้สอนหนังสือหน้าชั้นเรียนมีนักศึกษาเยอะแยะเวลานึกเช่นนั้นเขาจะมีความสุขมาก ในยามนั้นสภาพทุกทรมานรอบตัวไม่สามารถแย่งชิงความสุขหรือทำความทุกข์ให้แก่เขาได้การได้นึกถึงสิ่งที่ตนรักและมีความสุขกับมันทำให้เขาทนทานกับสภาพอันเร็ว้ายได้วิกเตอร์แฟรงโคลยังได้พูดถึงหญิงร่วมชะตากรรมคนหนึ่งในค่ายเธอกำลังจะตายแต่ไม่กระสับกระส่ายหรือทุกทรมานแต่อย่างใดทาไมถึงเป็นเช่นนั้น เธอบอกเขาว่าเธอมีเพื่อนปลอบใจเพื่อนนั้นก็คือต้นไม้ซึ่งโปรยหเห็นทางหน้าต่างไม้ต้นนั้นมีดอกอยู่สองดอกเท่านั้นเธอบอกว่าฉันชอบคุยกับต้นไม้ต้นนี้และเขาก็ตอบฉันเสียด้วยวิกเตอร์แฟรงเกิลถามว่าต้นไม้บอกอะไรเธอตอบว่าต้นไม้บอกว่าฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันคือชีวิต ชีวิตนิรันต์ต้นไม้ต้นนั้นให้ความหวังแก่เธอแม้ในยามหน้าหนาวอาลำเคนต้นไม้ต้นนั้นยังผลิตดอกออกมาอย่างไม่ย่อท้อต่อความหนาวเหน็บสำหรับคนทั่วไปพอเห็นต้นไม้แบบนี้แล้วไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ามองให้เป็นเราจะได้กำลังใจจากต้นไม้เหล่านี้มากแต่จะมองอย่างนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ห่างอยู่ที่ใจเรามากกว่า วิกเตอร์แฟรงเกิลกับหญิงคนนั้นอาจจะไม่รู้จักสมาธิภาวนาแต่ก็สามารถน้อมจิตไปในทางที่ดีงามเป็นกุศลแม้จะอยู่ในนรกแต่ในใจเขากลับเป็นสวรรค์ที่ทําให้มีกําลังใจสู้ความทุกข์ต่อไปได้วิกเตอร์แฟรงเกิลสามารถรอดชีวิตจากค่ายนารกได้ทั้งๆ ท, ที่กายนั้นทุกทรมานอย่างมากแต่เขารู้จักประคองใจไม่ให้ทุก อันหลังนี้แหละที่ทำให้เขารอดตายมาได้อันนี้ตรงกับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าหาสุขได้ในทุก์เราต้องรู้จักหาสุขจากทุกเพราะในทุก์มีสุขเสมอสุขกับทุก์ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาดเหมือนกับความร้อนกับความหนาวในความร้อนก็มีความหนาวอยู่ในความหนาวก็มีความร้อนอยู่ ข้างนอกศาลานี้เปียกฝนข้างในแห้งแต่ที่จริงก็มีความชื้นอยู่เราดองเอาเครื่องดักความชื้นมาตั้งไม่กี่ชั่วโมงน้ำก็จะเต็มภาชนะที่ใส่ข้างในตอนที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นตามวัดเขาจะมีเครื่องดักความชื้นมาติดไว้ตามห้องต่างๆทงั้งทั้งที่วัดเขาปิดประตูหน้าต่างแต่ผ่านไปแค่สมถึงสชั่วโมงเท่านั้นแหละพอเราดึงเอาภาชนะดักน้าออกมาจากเครื่อง จะมีน้ำเต็มเลยแสดงว่าที่ยวเรารู้สึกว่าแห้งนั้นมีความชื้นอยู่มากในทำนองเดียวกันกับที่เปียกชื้นก็มีความแห้งอยู่อย่างน้อยก็แห้งกว่าในห้องอบซาวน้าฉันใดก็ฉันนั้นในทุก์ก็มีสุขอยู่เราต้องมองให้เห็นจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยสามเกลอนี้แหละคือสติปัญญาและสมาธิ ถ้าสามเกนมาใช้สอดส่องเราก็จะเห็นว่าสิ่งเลวร้ายนั้นมีสิ่งดีๆแฝงอยู่หรือรู้จักมองร้ายให้กลายเป็นดีได้ในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระปุณณนะขอราพระพุทธเจ้าไปอยู่ถิ่นกันดานที่ชื่อสุนาบรันตะชนบทพระพุทธองค์ตรัสว่าคนสุนาบรันตะเป็นคนดุร้าย ถ้าเขาด่าว่าเธอจะทําอย่างไรพระปุณณ์ตอบว่าด่ายังดีกว่าทําร้ายด้วยมือพระองตรัสถามว่าถ้าเขาทําร้ายด้วยมือจะทําอย่างไรพระปุณณ์ตอบว่ายังดีกว่าใช้ก้อนดินทําร้ายครั้นตรัสถามว่าถ้าใช้ก้อนดินทํำร้ายจะทําอย่างไรพระปุณณ์ตอบว่ายังดีกว่าใช้ท่อนไม้ทําร้ายตรัสถามต่อว่า ถ้าเขาทำร้ายด้วยท่อนไม้จะทำอย่างไรพระบุญณาตอบว่ายังดีกว่าฟันแทงด้วยอาวุธพระพุทธองค์ตรัสถามต่อว่าถ้าเขาฟันแทงด้วยอาวุธจะทำอย่างไรพระบุญณาตอบว่ายังดีกว่าฆ่าด้วยอาวุธพระพุทธองค์ตรัสถามต่อว่าถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธจะทำอย่างไรคําตอบของพระบุญณาก็คือพระบางรูปรังเกียจชีวิต อุตสาหะอาวุธมาค่าตัวเองแต่นี่ดีไม่ต้องหาอาวุธมีคนมาค่าให้เองนี่เรียกว่ารู้จักมองรายให้ไกลเป็นดีหาโชคได้จากเคราะห์ในเคราะห์นั้นมีโชคอย่างน้อยก็เป็นโชคเมื่อเทียบกับอย่างอื่นที่แยก่กว่าโชคดีกับโชคร้ายนี่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเหมือนกับความสั้นกับความยาวไม้บรรทัดยาวกับดินสอ แต่มันสั้นไปถนัดใจเลยเมื่อเทียบกับไม oh ้เมตรไม้เมตรก็สั้นเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าเราเรียกอันนี้ว่าสั้นเพราะไปเทียบกับอันที่ยาวเราเรียกว่านี้ยาวก็เพราะไปเทียบกับอันที่สั้นฉันใดก oh ็ฉันนั้นเราเรียกนี้ว่าโช ค, โชคก็เพราะไปเทียบ ก, กับอีกอันที่แยก่กว่าเราเรียกนี้ว่าโชคร้ายก็เพราะเอาไปเทียบกับอีกอันที่มันดีกว่า มันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องสมมุติก็ว่าได้เป็นเรื่องสัมพัทธ์ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเวลาเราประสบกับภาวะบางอย่างถ้าเอาไปเปรียบกับสิ่งที่ดีกว่าเราก็เรียกว่าทุกข์แต่ถ้าไปเปรียบกับสิ่งที่แย่มากๆเราก็เรียกนั่นว่าสุขเงินหายสิบบาทถ้ามองให้เป็นก็ถือว่าโชคดีเพราะยังดีกว่าหายร้อยบาท ยังดีกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามนอกจากการมองให้เป็นแล้วการวางจิตวางใจให้ถูกต้องก็ช่วยได้มากอย่างคนที่ป่วยเป็นมะเร็งถ้ารู้จักมองก็ยังถือว่าโชคดีกว่าเป็นเอสและถ้าวางจิตวางใจให้เป็นอาจกลายเป็นโชคดีกว่าตอนที่เป็นปกติก็ได้หลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็ง เขาทำให้เขาหวนกลับมาแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้จริงของชีวิตตอนไม่ป่วยก็เอาแต่เที่ยวเตรหรือไม่ก็ทํางานหนักจนลืมครอบครัวลืมเรื่องจิตเรื่องใจแต่พอป่วยหนักตระหนักว่ามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานก็ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระหันมาให้เวลากับครอบครัวศึกษาธรรมะค้นพบความสุขที่แท้ บางคนที่เป็นเอสก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าโชคดีที่เป็นเอสเป็นโชคดีเมื่อเทียบกับก่อนเป็นเอสพอเมื่อป่วยแล้วก็กลับมาเห็นสาระที่แท้ของชีวิตไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยกับการเที่ยวเตยสนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนมีหลายคนมากเลยที่บอกว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเอสคงไม่มีวันนี้ แน่นอนว่าจะเห็นแบบนี้ได้ต้องอาศัยการวางจิตวางใจได้อย่างถูกต้องแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจหรือตื่นกลัวเพราะโรคเหล่านี้ก็ใส่โรคเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนตนให้ทำสิ่งที่สมควรทำซึ่งถูกละเลยไปนานนี่เป็นตัวอย่างของการหาโชคได้จากเคราะห์หาสุขได้จากทุกทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะ เรารู้ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ใจสุขทุกขอยู่ที่ใจทุกเกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจทุกเกิดที่ใจแต่ไปเข้าผับเข้าบาร์คิดว่าผับบาร์จะช่วยแก้ทุกได้แก้แบบนี้ไม่ตรงจุดแม้กระทั่งหนีมาวัดคิดว่ามาวัดแล้วจะหายทุกแบบนี้ก็ไม่ถูกทุกอยู่ที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจการมาวัดจะแก้ทุกได้ก็ต่อเมื่อ มาฝึกฝนวิธีแก้ทุกข์ที่ใจหรือมาวัดเพื่อมาดูจิตของตัวเองถ้าแบบนี้ก็เป็นการแก้ที่ตรงจุดเดี๋ยวนี้คนเป็นอันมากเวลาทุกข์ก็นึกถึงวัดคิดว่ามาวัดจะแก้ทุกข์ได้เพรนึกว่าทุกข์นั้นอยู่ที่บ้านหนีบ้านมาวัดแล้วจะหายทุกข์ทุกข์ตามมาไม่ถึงอันนี้เข้าใจผิดทุกข์นั้นเราหนีไม่ได้ เพราะมันอยู่ที่ใจเราหนีไปไหนก็ยังทุกข์ตราบใดที่ยังไม่แก้ทุกข์ที่ใจของตัวทุกข์นั้นอยู่ที่ใจทางแก้ก็อยู่ที่ใจนั่นเองตรงนี้แหละที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าในเตาหลอมเหลวนั้นมีความเย็นสนิทอยู่พูดอีกอย่างคือในวัตตสงสารมีนิพพาน ในใจที่เร่าร้อนนั้นมีความสงบเย็นแฝงอยู่กุญแจที่ไขไปสู่ความสงบเย็นก็อยู่ที่ใจลองพิจารณาให้ดีเวลาเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรถ้าพิจารณาเป็นก็จะเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นเพราะติดยึดเพราะฟุ้งซ่านปรุงแต่งเพราะหลงลืมขาดสติพอเห็นตรงนี้ก็เปลี่ยนจากความติดยึดเป็นความปล่อยวาง จากความฟุ้งซ่านมันเป็นความสงบลำงับเป็นจากความหลงลืมมันเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมเตียมสติถ้าทำได้อย่างนี้ความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นสุขก็ตามมาสุขเกิดขึ้นไดน้แม้รอบตัวจะเป็นทุกข์แม้กายจะเป็นทุกข์สุขเกิดจากการพิจารณาทุกข์ในใจจนเห็นกุญแจแห่งความไม่ทุกข์มันอยู่ตรงที่เดียวกันนั่นแหละ จะไปดูที่อื่นก็ไม่มีทางเจอต้องมาดูที่ใจอันเป็นที่เกิดแห่งทุกข์อยากคิดหาสุขจากที่อื่นอบายามุกก็ไม่ใช่คาตอบทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่คำตอบ บ, งงอตอ บ, บางคนทุกข์ก็ไปหาอะไรมากินคิดว่าจะดับทุกข์ได้มันช่วยได้แค่ชั่วคราวแต่ในที่สุดเราก็ต้องกลับมาดูที่ใจมาดูที่ความทุกข์กลางใจนี่แหละ มองจนเห็นว่าความไม่ทุกข์มันก็อยู่ที่ใจที่กำลังทุกข์นี้เอง